อ ห, ออใใ ล, ใใหลัชลบตาฝ้ายมันตัวมีตาเตินขึ้นมา และก็นำมาไลฟังปัญญาปรมรากัญชาสำหรับหลักฐานทำการที่กรมนทหารทั้งผู้ใหญ่ที่ทําการเสบสวนและสอบสวนหาตัวการในการลอบปลงประชานพระราชออรสหรือกรมเสนาบดีจงรักบัณฑิตาพระราชอรสได้ใช้ในการเปิดโปงและมัดตัวเสนาบดีช่อฉชนผู้คิดไม่ซื่อนั้นก็คือหลักฐานที่บ่งชี้ว่า ตัวเสนาบดีภูคิดไม่ซื่อนี้เนี่ยไม่ได้เป็นคนของแคว้นพระราชาที่ออกบวชมาตั้งแต่ต้น oh. เราได้วความเปนจริงแล้วในบนรรพบุรุษของเสมนาบดีภูคิดไม่ซื่อบรรพบุรุษนะจ๊ะตั <Yeah. S 1> ้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเครื่อยลงมารถเป็นคนของแคว้นการชนฟังทิศเหนือ oh. ที่ถูกส่งตัวาเพื่อทํางานลับเฉพาะกิจทั้งสิน้น ไอ้เพียงแคนั้นในทหารท่างผู้ใหกลุมนี้ยังได้เสรบทราบถึงแผนการรับดังกล่าวอีกด้วยโดยแผนการรับดังกล่าวก็คือให้หลังจากที่ครบอบครงเสนาบดีบุกิดไม่ซื่อได้ขนย้ายสำนโนครัวจากแคว้นการชนฝั่งที่เหนือมาอยู่ที่แคว้นของพ ร, ราชาอุ์ที่ออกบทแล้วครอบครองเสนาบดีบุกิดไม่ซื่อก็เริ่มส่งคนในครอบครัว แทรกซึมเข้าไปสู่ระบบการเมืองการปกครองแคว้นจากการใช้เงินติดศินบนนี่นี่นะจ๊ะทังใต้โต๊ะข้างโต๊ะหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแคว้นจนกระทั่งตัวเสนาบดีภุกิตบินสือสามารถไต่เต้ากัมาเป็นข่ารายการระดับสูงได้ว่าเสนาบดีภุกิตไม่สือสามารถไต่เต้ากันมาเป็นข้ารายการ ระดับศูนย์ได้แล้วตัวเขาก็ได้ส่งข้าราชการและนายทหารที่ตนเองเลี้ยงเอาไว้ได้วยเงินและสินบนเหล่านั้นไปเป็นจเมืองปกครองหัวเมืองในแถบทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแคว้นซึ่งเป็นเขตชายแดนที่อยู่ติดกับแคว้นกัรชนฝั่งทิศเหนือโดยข้าราชการและนายทหารซึ่งเป็นลูกสมบัติของเสนาบดีภูคิตไม่ซื่อบางคน ต่อมาก็ได้เป็นถึงแม่ทัพคุมกองทัพภาคฝั่งตะวันตกเฉียงเหนื อ, โ อ, โอเช่นแม่ทัพจอมกี้ครานที่เป็นหัวหน้าท่านมหาเสนนาบดีเป็นต้นซึ่งทั้งข้าราชการและนาทหารทีงเป็นลูกส ม, มุนของเสนนาบดีบุ้คิดมิซื้อเหล่านั้นก็ได้ทำการทุจริญขูดรีดภาษีที่ดินและพืชผลทางการเกษตร ก็เงินมาหมุนเวียนเลี้ยงดูวพวกข้าราชการทุจริตต่างๆด้วยกันดังเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังจากตอนที่ผ่านๆมาไปแล้วและเมื่อแผนการทุกอย่างของเสนาบดีช่อฉนผู้คิดไม่สื่อดำเนินมาถึงขั้นนี้ประชาชนตระหนดำที่ได้รับความเดือดร้อนก็เริ่มมีความขัดแยง้งกับเจ้าหน้าที่ของทางการมากขึ้นและเมื่อความอดทนถึงขีดสุด จะชนที่อดทนต่อความเดือดร้อนไม่ไหวก็จะก่อสถานการณ์ความไม่สงบขึ้นในทุกๆเมืองที่คนของเสนาบดีผู้คิดเป็สื่อดูแลอยู่เมื่อประชาชนอ่อนแอกองทัพอ่อนแอก็ยอมส่งผลทำให้บ้านเมืองพลอยอ่อนแอตามไปด้วยและเมืทุกภาคส่วนมีความอ่อนแอหรือแตกแยกจนรวมตัวกันไม่ติดแล้ว แผนการต่อไปของเสนาบดีบุคิตไม่ซื่อก็คือการนำกองทัพจากแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือเข้ามาบุกโจมตีเมืองหลวงของแคว้นพระราชางที่ออกบวชไปยึดครองและล้มราชบัลลังก์นั่นเองซึ่งแผนการลอบสังหารพระราโชรสก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการนี้ด้วยเช่นกัน แิ่ธ่าแผนการนังกลามีเหตุให้ต้องมาผิดแผนในระหว่างทางเสียก่อนส่วนสายเหตุที่ทให้แผนการนังกลาต่างมาผิดแผนกล า, กลางครันนั้นตอนนี้ก็เป็นเพราะได้มีบุคคลสาคัญท่านหนึ่งที่มีสติปัญญาอัญชานฉลาดอีกทั้งยังมีความสามารถขั้นเทพทั้งบุญและบุบูบุญไม่ใช่บุญบู มารู้ทันเกมหรือแผนการดังกล่าวและสามารถสกัดกั้นทุกอย่างได้ทานท่วงทีซึ่งบุคคลําคัญท่านนี้ก็คือท่านมหาเสน์นาบดีของพวกเรานั่นเองอืมมหาเสน์นาบดีชอช้อนวิมิซื่อเธอกลมไหยทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ทำการสืบสวนและสอบสวนหาตัวการในการลาบลงละชนพระราชอรส แชเบื้องลึกเบื้องหลังและแผนการทุกอย่างท่ามกลางที่ประชุมสับพยานหลักฐานและพยานบุคคลที่แน่นหนาเช่นนั้นแล้วเสนาบดีชอจชวนบุคิลไม่สื่อก็เกิดการตกใจจนเป็นหน้าซีดเผือเป็นไขรต้มวันนึกไปถึงว่าเรื่องนั้นกล่าวจะประแดงเลือดถึงตัวได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งขนาดนี้นั้น ท, ที่ตเขาก็มั่นใจว่าตัวเขา จะทำการค่าตัดตอนเบาะแสและหลักฐานที่จะกลับมามัดตัวเขาไปทั้งหมดแล้ว oh. แต่ว่าทุกเรื่องและทุกแผนการไม่ว่าจะมาแบบเหนือเมฆแค่ไหน mm. ก็ไม่อาจที่จะรอดพ้นสายตาของบรรดากลุ่มในทหารชั้นผู้ใหญ่หรือกลุ่มเสนาบดีฝ่ายพระราโจรสเรื่องหนึ่งท่านมหาเสนาบดีนี่เลยจ้ะที่บรรดาเสียนเยียบมยีอย่างเรียกป๋าไปได้เลยนเลยจ้ะ นี่ป๋ า, าที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมในทหารทธนูใหญ่หรือกรมเสนาบดีฝ่ายพระราชรถตอ่างก็ได้ทำการกรวบรวมข้อมูลพะยาหลักฐานและกระเสิบสวนสอบสวนพิจารณ์บุคคลอย่างลับๆมาเป็นเวลานา น, านและเมื่อมาถึงณช่วงเวลานี้ ทีหลักฐานทุกอย่างถูกเปิดเผยจึงเคลียร์คัดชัดเจนและสามารถกระชากหนากากจามไวไ้ร์ไรหรือเสนาบดีผู้ชชนได้แล้วทางฝ่ายเสนาบดีผู้จงรักภักดีต่อพระราชโอรสจะได้ทําการจับกุมตัวเสนาบดีชอบชนลูกที่มิซพร่วมกับร่วบผู้คิดคดทรยศทั้งหมดที่อยู่ในเมืองหลวงมาลงโทษใยการโคมตัวก็ไปขังไว้ในคุกตามราบียบ ไหล้างอย่างที่กรมนายทหารชั้นผู้ใหญ่และกรมเสนาบดีฝ่ายพระราชโอรสได้จัดการส่งตัวเสนาบดีชาวชนผู้คิดไม่ซื่อพ ร, ร้อมกับรวบผู้คิดคดทรยศทั้งหมดที่อยู่ในเมืองหลวงเข้าคุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายทหารชั้นผู้ใหญ่กลุ่มนี้ก็ได้ส่งตัวแม่ทัพผมไปความจองรักพอดีผู้หนึ่ง ร่มกับกองกำลังทหารจำนวนหนึ่งเดินทางถือคำสั่งปลดแม่ทัาพาคตะวันตกเฉียงเหนือคนเก่าเริ่มแม่ทัพจอมขี้คลานแต่เป็นหัวหน้าท่านมหาเสนนาบดีร่วมกับทำการแต่งตั้งให้แม่ทัพผู้มีความจงรักภักดีกอ น, นั้นทำหน้าที่อรักษาการแม่ทัพภาคตะวันตกเฉียงเหนือคนใหม่แทน และเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายลงเราเสนาพิธีทั้งหลายจึงได้ทำพิธีเฉลิมฉลองและก็สถาปนาพระราชโอรสให้สืบทอด ร, ราชบัลลังก์อย่างเป็นทางการเวลาพระสงฆ์ในกรมาในแคว้นได้ทราบข่าวการเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นทางการของพระราชโอรสแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายต่างก็เกิดความรู้สึกดีอกดีใจ ที่พระราชาลดผู้เป็นที่เคารพรักของพวกเขาได้เสด็จขึ้นครองราศเป็นพระราชาของพวกเขาแล้วอเอป็นเจ้นที่พระสงฆ์กอทั้งหลายจึงได้ตระเตรียมงานเฉลิมฉลองพระราชาองใหม่ของพวกเขากันอย่างคึกคักไปทั่วทั้งเมืองเลยทีเดียวนี่นแต่ถ้าว่าในระหว่างที่เรื่องราวทุกอย่างกาลังดำเนินไปอย่างแฮปปี้สตอรี่โจโจ้เรื่องน่าเซลน่าขวาน บางอย่างก็จับร้อนเกิดขึ้นอีกจนได้ oh. นั่นก็คือได้มีพั ส, สดีหรือผู้คุมคุกบางคนรับสินบนจากเสนาบดีช่อฉนภู้คิดไม่ซื่อ oh. แล้วก็ได้ทําการช่วยเหลือด้วยการปลดปล่อยให้เสนาบดีผู้คิดไป่ซื่อ oh. นั้นหนีออกไปนอกเมืองพร้อมพร้อมกับครอบครัวหลังจากที่เสนาบดีผู้คิดไม่ซื่อนั้นได้ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วเสนาบดีผู้คิดไม่ซื่อก็ได้ รีบมุ่งนะ้าลบเนี้ยไปทางหัวเมืองฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือในทันที <Yeah. S 1> แต่พลังจากที่เสนาบดีช่อชนภูคิดไปซื้อได้ลบเนี้วจะคุกไปได้เพียงไม่นาน <Yeah. S 1> นี่ฐ <Yeah. S 1> <laughs> านเจ้าหน้าที่ของเสนาบดีฝ่ายพระราชะรถสุบี้ได้คลองล่าเป็นพระราชาแล้ว <Yeah. S 1> ก็ได้ทราบข่าวที่เสนาบดีภูคิดไปซื้อ รอบเนี้จากเมืองทันทีที่ ท, ทราบค่าวพวกเขาก็ได้เรีบนําเรื่องนี้อักล่าบังคมโดยในพระราชาได้ทรงทราบในทันทีซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ก็ได้สร้างความกังวลรัะไทยให้เกิดขึ้นกับพระราชาเป็นอย่างมากเพราะณนะช่วงเวลานั้นแม่ทัพพวกมีความจงรักภักดีที่ทางส่วนกลางได้หมายมันปันมือจะให้ดํารองตําแหน่งเป็นรักษาการ แม่ทัาพภาคตะวันตกเฉียงเหนือคนใหม่กำลังอยู่ในช่วงระหว่างการเดินทางไป เ, เที่ยวหัวเมืองฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือพ<อ>นามคำสั่งปลดจากส่วนกลางไปให้แก่แม่ทัาพภาคตะวันตกเฉียงเหนือคนเก่าหรือแม่ทัพจอมขีคลานซึ่งเป็นหัวหน้าของท่านมหาเสนาบดี<อ>ให้พ้นจากตำแหน่งแม่ทัาพภาค<อ>แต่เนื่องจากเสนาบดีผู้คิดผิดซื่อประเด็นเดินทางหลบหนีไปถึงหัวเมืองแจเดรฝั่ง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ไปถึงตัวของเมทัพภาคคนเก่าหรือเม่ทัพจอมคีคลานที่เป็นหัวหน้าของธรรนมาหาเสนาบดีก่อนที่กําสั่งปลดเม่ทัพภาคคนเก่าจะเดินทางไปถึงแล้ว<อ>เสนาบดีผู้มีใจม่ซื่อตรงผู้นี้ก็จะสามารถควบคุมกองกําลังพลทหารในภาคตะวันตกเฉียงเหนือทั้งหมดเอาไว้ได้โดยปริยาย<อ>จะ ก, ก็จะก่อเกิดปัญหาที่ใหญ่หลวงตามมาอีกมากมายอย่างแน่นอน ในขณะที่เสนาบดีจอมกระบดผู้คิดไม่ซื่อพรอมกับครอบครักวกําลังเร่งรีบหลบหนีไยังหัวเมืองชายแดนฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือแึ่เป็นหัวเมืองที่อยู่ติดกับแกล้นกัรชนฝั่งทิศเหนือนั้นท่านมหาเสนาบดีนี่คนเก่งของเรานีเนาะ oh. ก็ได้ขันึาสาขอทําหน้าที่ไปตามจับตัวเสนาบดีจอมกระบดคนนั้นด้วยตัวเองโอ oh. oh. ท่ทมหาเสนาบดีตัดสินใจเช่นนี้เนี่ยทางนี้ก็เป็นพระท่านมหาเสนาบดีเห็นว่าตัวท่านเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในเส้นทางและพื้นที่แถบนั้นเป็นอย่างมากอีกทั้งตัวท่านก็ได้วางเครือข่ายสายงานท่านเอาไว้ที่หัวเมืองชายแดนแห่งนั้นเป็นอย่างดีและในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเ ต, ตรียมงานเฉลิมฉลอง การขึ้นครองราชของพระราชาอีกทั้งพระราชาองค์ที่จะออกบวชทรงอยู่ในภาะวะที่ปลอดภัยและไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงปรอภัยในเมืองหลวงก็มีราชอกรรักชั้นเยี่ยมจิตคอยอารักขาพระงอยู่ตลอดเวลาแล้วตั้นัต่ทันมหาเสนบดีจึงได้รีบบอกเดินทางไปยังหัวเมืองชาแดงแห่งนั้นในทันที ไดท่นมหาเสนาบดีก็ได้เร่งเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ลดละปฏิีตอท่านจะได้ไปถึงหัวเมืองชายแดนแห่งนั้นก่อนที่เสนาวดีจอมกบฏคนนั้นจะได้พบกับแม่ทัพภาคตะวันตกเฉียงเหนือคนเก่าหรือแม่ทัพภาคจอมกิคลานที่เป็นหัวหน้างท่านมหาเสนาวดีนั่นเองในระหว่างที่ท่านมหาเสนาบดีกําลังเดินทางไปยัง โอเวอรแชร์แดนแห่งนั้นตัวท่านกระด็ดส่งข่าวไปยังหน่วยฉอกหรือหน่วยเฉพาะกิจของท่านที่ประจำการอยู่ที่เขตโอเมืองแชร์แดนแห่งนั้นว่าให้ทุกคนคอยเฝ้าติดตามสืบหาดูว่าเสนาบดีจอมกบฏได้เดินทางไปถึงที่ไหนแล้วจะแต่าหากเจอตัวเสนา บ, าบดีจอมกบฏใกล้คอยจับตาดูวความเคลื่อนไหวของเสนาบดีจอมกบฏอยู่ห่าง แล้รีบส่งข่าวมารายงานให้ตัวท่านไิ้ทราบอยู่เป็นระยะระยะด้วยในขณะเดียวกันก็ให้คอยตามประกอบตัวไม่ทับภาคจอมขี้คร้านเอาไว้อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรก็ให้รีบส่งข่าวมารายงานให้ท่านไิ้ทราบด้วยเช่นกันหลังจากที่เสนาบริจอมกบฏพรกคิดไมตซือได้เดินทางไปถึงที่ เขตขเมือ ง, งชายแดนฟังตะวันตกเฉียงเหนือแล้วตัวเขาก็ได้รีบกับยังจวนก็ไม่ทับภาคจอมขี้คร้านคนนั้นแต่คราวก็ได้ยิ้มยิ้มย่องอยู่ภายในใจว่าในที่สุดเราก็รอดแล้วและต่อไปเราก็จะสั่งการให้เปิดประตูเมืองต้อนอรับกองทัพของแคว้นการชนฝั่งทิศเหนือไปยกทัพ บ, บุก ไปบทขยี้เมืองหลวงของแก้วพระราชาองค์ที่ออกบทที่ระอาไปเลยโหดจังเนาะแต่ในขณะที่เสนาบดีจรองกบทกำลังเข้าไปในจวงแม่ทัพภาคจามขี้คร้านคนนั้นแต่เขาก็พลันต้องเกิ ด, ดการช็อกอย่างสุดคิดแต่เป็นเช่นนี้ก็เป็นพระบกคอนที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าขเขานั้น ไม่ใช่แม่ทัพภาคจอมกีฬานเหมือนอย่างที่โวเขาคิดเอาไว้แต่กลับเป็นนี่ท่านมหาเสนาบดีผู้พิทักษ์แว่นแคว้นที่คอขัดขวางแผนการอาราของเขาท่านเองนี่เเอกมาแล้วเนาะท่านที่ติดเสนาบดีจอมก็ควรจะเห็นหน้าท่านมหาเสนาบดีแล้ว ตัวเขาก็รู้ตัวได้ในทันทีว่าแต่เขาเองจะตาขาดเสียแล้ว <Yeah. S 1> นี่เนาะและบทเสนาบดีจางก็บทไม่อาจจะหลบเลี่ยงหนีไปทางไหนได้แต่เ้าจึงได้ยอมแพ้แต่โดยดีเราก็ได้ยื่นข้อเสนอต่อรองกับท่านมหาเสนาบดีว่าขอท่านมหาเสนาบดีได้ปล่อยตัวภรรยาและลูกของตนกลับไปยังแคว้นกันจนฝั่งทิศเหนือ เพราะพวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งตาธรรมหาเสนาบดียามปล่อยตัวภรรยาและลูกของตนไปเขาก็จะยามเปิดเผยรายชื่อของพวกกระกาที่รับสินบนรวมถึงรายชื่อของสายรับทั้งหมดของทางแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือให้แก่ท่านมหาเสนาบดีพระธรนมหาเสนาบดีได้รับฟังข้อเสนอของจอมกบฏแล้ว สมาชเสนาบดีก็เห็นว่าข้อเสนอดรื่องกาเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงของแว่นแคว้นพอเป็นเช่น น, นีมาชเสนาบดีจึงได้ตอกปากรับคําและตอบตกลงกับข้อเสนอของเสนาบดีจอนขบวคนนั้นหลังจากที่ท่านมาเสนาบดีได้อะไรนะจ๊ะตกปากรับคํา ก็ใครนะจ๊ะไม่ใช่บบาใบไม้แล้วตอบลงก็เรียบร้อยแล้วแต่หน้าพิจารก็บกคนนั้นก็เด้แส่งเดินเข้าไปใกล้ใก้แท่งนะรับก็ทําทีท่าเหมือนก็จะมอบตัวต่อท่านมหาเสนาบดีแต่นขณะที่ เสนาบดีจางกบเรากําลังอยู่ในระยะประชิด ต, ตัวท่านมหาเสนาบดีนั้นเขาก็ได้ชักมีดนะอันคมกริบออกมาจากที่ซ่อนพร้อมกับจ้วงแท้าที่บริเวณลำตัวท่านมหาเสนาบดีอย่างสุดแรงเกิดจะ<อ>ทําให้เสื้อกระหนังท่านมหาเสนาบดีถึงกับทะลุเป็นรวก็ไปเลยทีเดียวจะทะลุต่อไปไห ม, ไม <laughs> ถูกต้องจ้ะแต่จะว่าความโกงของพี่นั้นกลับไม่สามารถทำให้ผิวนี่ของนั้นมหาเสนาบดีเกิดราคายคืนได้เลยไม่แต่น้อยผิวหนังมีภูมิต้านทานของมีคมเนะแี่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะท่านมหาเสนาบดีมีวิชายูยงกงกระพรน จะได้อารมณเรียนและฝึกฝนมาอย่างดีคุ้มครองกายอยู่นั่นเองพระธรมาเสนาบดีถูกเสนาบดีจ้องกบดรอบทำร้ายทีเหลือชะนั้นตัวท่านจึงได้ทำการอบรมโดยการอบอัดเสนาบรีจ้องกบฏนั้นด้วยการบริจาคมือเท้าข่าศอก แบบเต็มเหนียวแล้วไม่มียั้งเลย oh. <laughs> จนทําให้เสนาบดีจองปวกคนนั้นถึงกับหมดลทธิ์และเราไป น, นองกองกับพื้นอย่างสิ้นเลยดั oh. นั้นตานมหาเสนาบดีก็สั่งให้จับกลุมทั้งหมดเลย oh. ทั้งตัวภรยายและลูกเสนาบดีจองปวดกคนนั้นเอาไว้เพื่ อ, อารอเจรจาต่อรองแลกข้อมูลสําคัญอีกทีหนึ่งโอ้ oh. oh. เล่นฉลาด เออนอกจากผิวหนังจะจะมีภูมิต้านทานนะเออก็อทดนะหลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีสามารถจับกลุมตัวเสนาบดีจอมกบฏและแม่ทัพพ่าคจอมขี้คร้านเข้าคุกได้แล้วตัวท่านกับแม่ทัพตัวท่านนะจ๊ะท่านมหาเสนาบดีจะกับแม่ทัพพ่าคตะวันตกเฉียงเหนือคนใหม่ ที่ทางเสนาบดีฝ่ายพระราชาองค์ที่จะออกบวชได้ส่งตัวมาจากส่วนกลางไปรับรายงานมาจากสายรับที่ทางแคว้นได้ส่งไปสืบข้อมูลที่แคว้นกันจนฝั่งทิศเหนือว่า oh. ในขณะที่ทางแคว้นกันจนฝั่งทิศเหนือได้เคลื่อนทัพใหญ่ลงมาแล้วและเป้าหมายกแรกที่พวกเขาจะโจมตีคือ ด้านหน้าของหัวเมืองชายแดนแห่งนี้ oh. ด้วยเหตุนี้เองท่านมหาเสนาบดีกับแม่ทัพภาคคนใหม่จึงได้รวมมือกันจัดเตรียมทุกอย่างให้พร้อมสำหรับตั้งรับศึกใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเ oh. ดวยวท่านั้นสองให้สังการให้เหล่าทหารเสริมคันคูให้สูงขึ้นรล้วก็ซ่อมแซมป้อมค่ายทุกๆด้านให้แข็งแรง ทั้งย่าจัดที่มีเวรยามตรวจตาดูคนเข้าออกประตูเมืองอย่างเข้มงวดอีกด้วยและเมื่อภาวะบ้านเมืองภายในหัวเมืองชายแดนแห่งนี้กําลังล่อแหลมต่อภาวะภัยสงครามเช่นนี้จึงตทำให้พวกชาวบ้านที่อยู่บริเวณแนวตะเข็บชายแดนต่าง ก, กระตั้งรีบหอบลูกจูงหลานหนีเข้ามาอยู่ภายในเขตกําแพงเมืองกันทั้งหมดเลยและด้ภาวะที่ กำลังจะเกิดสงครามนี่เองจึงทําให้บรรยากาศภายในหัวเมืองชายแดนฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือเต็มไปด้วยความกดดันและตึงเครียดเพราะทุกฝ่ายต้องเตรียมพร้อมสำหรับรับศึกใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและในระหว่างที่บรรยากาศภาในหัวเมืองชายแดนแห่งนั้นกําลังอยู่ในภาวะที่ตึงเครียดพระราชาองค์ที่ออกบวชก็ทรงรับสั่ง เรกตัวท่านมาเสนาบดีกลับไปยังเมืองหลวงเป็นการดวนเพือจะมารับตําแหน่งข้าหลวงพิเศษที่จะทําหน้าที่เป็นราชทูตหรือตัวแทนพระองค์ในการเดินทางไปยังแคว้นของพระราชาที่มีความเจริญทางด้านศิ ล, ละปะสนใจเอติตะให้พระราชาองค์ที่จอกบวชทรงตัดสินพระใยเช่นนี้ ท่นนี้เป็นเพาะพระองทรงเห็นว่าท่านมหาเสนาบดีมีความคุ้นเคยกับแคว้นของพระราชาที่มีความเจริญทางด้านศิลปะามากพอสมควรอีกทั้งเจ้าชายผู้มีศิลปะในหัวใจก็ล่าวเสนามหาดและขา้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ในแคว้นแห่งนั้นต่างก็ได้จากท่านมหาเสนาบดีกันทั้งนั้นดังเหมือนกันเนาะ ม, มาตมหาเสนาบดีได้รับคําสั่งด่วนพิเศษเช่นนั้นอันนี้เป็นด่วนพิเศษเลยนะจ้าตัวท่านยังไม่อรอชาได้รีบสั่งการให้เหล่าขุนพลในทหารที่อยู่ในหน่วยเฉพาะกิจของท่านทําหน้าที่รักษาการควบคุมดูแลทหารหน่วยต่างๆแทนหัวหน้าคนเก่าที่ถูกปลดออกไปพรอมกับตัวแม่ทัพภาคจอมขี้คลานแล้วตัวมาตมหาเสนาบดีก็ได้เรียบเดินทางกลับมายังเมืองหลวง พร้อมกับขุนพลคนสนิทเพียงคนเดียวเท่านั้น oh. เสี่ยงมากเลยอยู่ในภาวะตรงนี้เนอะห oh. ลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีไปเดินทางกลับมายังเมืองหลวงและรับตาแหน่งข้าหลวงวิเศษหรือราชทูตผพูดแทนพระองค์แล้วท่านมหาเสนาบดีก็ได้รีบออกเดินทางยังแคว้นของพระราชาที่จเจริญในศิลปะพร้อมกับขุนพลคนสนิทของท่านในทันที ท่านมหาเสนาวดีได้เดินทางถึงแคว้นดังกล่าวแล้วแต่ท่านก็รีบไปขอเข้าเฝ้าเจ้าชายผู้มีศิละปะในหัวใจที่จะกราบทูลขอความช่ยเหลือเรื่องการยุติสงครามที่กําลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้ทันทีที่เจ้าชายผู้มีศิละปะหัวใจได้รับทราบข้อมูลจากท่านมหาเสนาบดีอย่างชัดเจนทั้งหมดแล้วพระองค์ทรงแสดงความเห็นว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากพ้าเป็นเรื่องที่พระองค์คงไม่สามารถที่จะตัดสินพระไทยโดยลำพังพระองค์เองได้ดังนั้นพระองค์จึงเห็นสมควรว่าจะต้องรีบนําเรื่องนี้ก็ไปกราบทูลต่อพระราชารวมถึงเหล่าเสนา ม, มาดในที่ประชุมอย่างเร่งด่วนที่สุดว่าแล้วเจ้าชายผู้มีศิลปะในหัวใจก็ไม่รอชา้า ได้รีบนำท่านมหา เ, นาเาสนาบดีเข้าสู่ที่ประชุมในท้องพระโรงในทันทีเมื่อเจ้าชายผู้มีศิลปัญหัวใจได้นำท่านมหาเสนาบดีเข้าสู่ที่ประชุมในท้องพระโรงแล้วพระองค์ก็ทรงได้แนะนำตัวท่านมหาเสนาบดีต่อหน้าพระราชาและเราเสนาหมาดในที่ประชุม อบนักแจ้งให้เราเสนาห ม, มาทุกทุกคนได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาของท่านมหาเสนาบดีในครั้งนี้แต่ด้วยความที่เราเสนาห ม, มาของแควพระราชาที่เจริญดิศิลปะที่อยู่ในท้องพระองค์แห่งนั้นล้วนแล้วแต่เป็นข้าราชการอาวสโสหรือเป็นพวกเก่าวัง สิ่งกคือผู้ที่สนองงา น, นกับพระราชามานานแต่ในความคิดความอ่านรวมถึงปฏิปานไหวพลิบของเราเสนาหมากกลุ่มนี้จริงไม่ธรรมดาชนิดที่เรียกว่าเสือสิงลิงกระทิงแหลกยังตั้งยอมสิโรราบเรียกเฮียเลยแตเดียวเ่ย เราจะได้เห็นภาพชัดไงแล้วที่เหตุที่ดังที่ได้กล่าว ม, มาแล้วนี้เองเนี่ยจึงทําให้เหล่าเสนา ม, มาดแต่ละคนรู้สึกไม่ไว้วางใจในตัวท่านมหาเสนาบดีที่เดินทางมาจากต่างแคว้นว่าจะมาดีหรือว่ามาร้ายและในทันทีที่เหล่าเสนาห ม, มาดเหล่านั้นได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์การเดินทางมาในครั้งนี้ ของท่านมหาเสนนาบดีแล้วพวกเขาจึงพยายามสรงสายตาไม่เป็นมิตรที่เจอความรู้สึกคมขูดคมขวัญและกดดัทนทามหาเสนนาบดีของเราอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ว่าสถานการณ์ในที่ประชุมจะถูกกดดันจะเพียงใดท่านมหาเสนนาบดีของเราก็คือท่านมหาเสนหาบดีของเรา กราบไม่มีการวาดวันใดๆต่อสายตาที่มองมาอย่างไม่เป็นมิตรเหล่านั้นเลยประการท่านยังคงดูสงบนิ่งเยือกเย็นและยังคงมีท่วงท่าอันส ง, ง่า ม, มั่นคงดุดดังขุนเขาที่ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดทั้งสิ้นไม่เพียงแค่นั้นธรรมะเสนาผู้หญิงขอเรายัางได้กวาดสายตามองไปยังเหล่าเสนามมาทั้งหลาย ในที่ประชุมแห่งนั้นโดยดวงตาแห่งความกล้าหาญที่ทรงเวลานุภาพพร้อมนั่งเอ่ยวาจาด้วยเสียงอันดังกังวานชัดถ้อยชัดคําและเปี่ยมลบด้วยความมั่นใจว่าเอธิทันเดินทางมาสู่แคว้นแห่งนี้เนี่ยแต่นี้ก็เพื่อจะมายื่นขอเสนอแห่งสันติภาพระหว่างแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวช จะออกบวชนี่นะจ๊ะและแควนของพระราชาที่จเจริญในศิลปะเพื่อที่จะได้จับมือกันเป็นแคว้นพันธมิตรที่จะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสัญญาว่าแขวนทั้งสองจะไม่ทําสงครามระหว่างกันและกันแตที่สถานการณ์ในเขตหัวเมืองแชายแดนที่กําลังเข้าสู่จุดวิกฤตอยู่ในขณะนี้เนี่ยทางแควนของพระราชาองค์ที่ออกบวช จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งจึงจะต้องขอร้องและขอความช่วยเหลือให้ทางแคว้นของพระราชาที่จเจริญในศิลปะช่วยเคลื่อนกองทัพไปโจมเตะแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือ mm hmm. เพื่อกดดันในแคว้นการชนฝั่งทิศเหนือ mm hmm. เกิดความหวงหน้าพวงหลังจนต้องยอมถอนกำลังทัพกลับไปยังแคว้นของตัวเองซึ่งทหากเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นการช่วยคลี่คลาย ความกดดันที่มีต่อแคว้นของพระราชาองค์ที่จะออกบวทลงไปได้ในที่สุดเมื่อท่านมหาเสนาบดีของเราได้ยื่ยนข้อเสนอดังกล่าวไปแล้วลเราเสนามาและวแม่ทัพในกองของแคว้นพระราชาที่จเจริญในศิละปะต่างก็ปรึกษาและถกถามความเห็นของกันและกันจนอื้ออึ่งไปทั่วทั้งทง้องพระองค์ แต่นัเสนาหมาัดเรานก็ได้หันมาถามกับท่านมหาเสนาบดีของเราว่าแคว้นของตอนหรือแคว้นของพระราชาที่เจริญด้วยศิลปะเนะ่จะจะได้ประโยชน์อะไรจากการเคลื่อนทัพไปช่วยในครั้งนี้อ๋อนี่เ น, นะจ้ถามอยากรู้เออมเมื่อท่านมหาเสนาบดีถูกยิงคำถามมาเช่นนั้น สมาเสนาปฏิกระิกชี้แจงทั้งเหตุและผลอย่างแยกขายว่าหากแควนคำประราชที่จเจริญในศิลปะยอมยกทัพไปช่วยโจมตีหรือกดดันในแควนการชนฝั่งทิศเหนือถอยทัพกลับไปก็จะมีความเป็นไปได้สองประการซึ่งความเป็นไปได้ทั้งสองประการนี้ รวนแล้วแต่เอื้อประโยชน์แก่แคว้นกังพระราชาที่เจริญด้วยศิลปะทั้งสิน้นสำหรับความเป็นไปได้ประการที่หนึ่งหากแคว้นของพระราชาที่เจริญในศิลปะยกทัพไปโจมตีแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือและแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือยังไม่ยอมถอยทัพกลับไป แต่ยังคงฝืนที่จะทําสงครามกับแคว้นขมประราชาวงที่จะออกบวชต่อก็จะเป็นโอกาสอันดีที่แคว้นขมพระราชาที่จเจริญในศิละปะจะได้ทุ่มกําลังไปโจมตีหัวเมืองของแคว้นกัรจนฝั่งทิศเหนือให้แตกยับต่อไปได้ที่ท่านมหาเสนาบดีกล่าวเช่นนี้ทั้นี้ก็เป็นเพราะเมื่อกองทัพของแคว้นกัรชนฝั่งทิศเหนือได้ทุ่มกองกําลังทหารทั้งหมด มาตีแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบทแล้วการป้องกันดังเขตชายแดนได้อื่นๆของแคว้นกัรชนฝั่งทิศเหนือย่อมอ่อนแอและเปราะบางพอเป็นชนดิดแคว้นของพระราชาที่จเจริญในศิลปะก็สามารถจะใช้ช่วงจังหวะอันได้เปรียบและมีค่านี้ไล่โจมต๋หวเมืองชายแดนแคว้นกัรจนฝั่งทิศเหนือ ซึ่งมีอยู่ประมาณสามสี่เมืองแล้วก็ยึดครองเป็นอาณาจักรของตัวเองได้อย่างสบายๆ น, นี่คือข้อเสนอข้อแรกโอ้เล่นฉลาดนะส่งความเป็นไปได้ประการที่สองต่หากแคว้นการชนฝั่งทิศเหนือยอมถอนกำลังกลับไปยังเมืองของตัวเองหรือยกเลิกการบุกโจมตีแคว้นวราชาที่ออกบวช จะยกทัพกลับเมืองไปเพื่อเตรียมตั้งรับทางแควงของพระราชาที่จเจริญในศิลปะก็สามารถจะถอยกลับได้และสิ่งที่ทุกฝ่ายจะได้รับก็คือสันทิภาพและสันทีุ่กที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนของทุกฝ่ายและจะหาแควงการชนฝั่งที่เหนือคิดจะไปแก้แค้นหรือลุกลายแควงของพระราชาที่จเจริญด้วยศิลปะบ้าง แขวนพระราชาองค์ที่จะออกบวชในฐานะเป็นแขวนพันธมิตรก็จะไม่ยอมนิ่งดูได้ต้องยกกำงทั้มาช่วยเหลืออย่างเต็มที่เต็มอัตราศเสริ์เช่นเดียวกันแต่แม oh. ้ธรรมาเสนาประดีของเราจะได้ชี้แจงก็เสนออัญชันฉลาดใส่ปทํานมายแห่งสันติภาพและเอื้อประโยชน์แก่แควนกันพระราชาที่เจริญศิลปะชนิดที่เรียกได้ว่าได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเช่นนี้แล้ว แต่ทางฝ่ายเสยนาห ม, มาที่อยู่ในท้องพระรองก็มีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยอยู่ดีแต่ในช่วงขณะนั้นเองพระราชาหรือพระราชบิดาของจ้ชายผู้มีศิละปะหัวใจ <c oughs> ก็ได้ตรัสขึ้นท่ามกลางที่ประชุมว่าถ้าทางเราจะขอหัวเมืองชายแดงของท่านจะอยู่ติดกับแคว้นของเราศักสองสามเมือง พระอเปค่าตอบแทนในการเคลือ่อนทัพในครั้งนี้จะได้หรือไม่โอ้เล่นฉลาดเนาะโอ้ oh. oh. ซึ่งพระดำมประัดของพระราชานี้ถือว่าเป็นคำถามอย่างเชิง<น>ที่พัดความสามารถทางการทูตของท่านมหาเสนาบดีเป็นอย่างยิ่ง น, นี่นะจ๊ะ<น>อีกทั้งยังเป็นคำถามที่ต้องใช้สติปัญญาในการตอบขั้นสูงและทีเดียว<น>แล้วหากตอบได้ดีก็จะสามารถคลี่คลายสถานการณ์นี้ไปได้ แต่ถ้าหากตาไม่ดีจะเป็นที่ไม่พอประทัยของพระองค์แล้วแล้วก็การเจรจ า, าขอความช่เหลือในครั้งนี้การจะกลายเป็นการก่อสัตว์รุ่น่น้ากลัวเพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งก็เป็นไปได้ส่วนว่าท่านมหาเสนาบดีเราจะตอบกับเสนาพระราชานี้อย่างไรแบบไหนนั้นเราก็ต้องอดใจติดตามเรบฟังกันในตอนต่อไป